และความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ได้ฟังคำกล่าวต่อไปนี้แต่ก่อนอืน่นขอทุกท่านผ่อนคลายให้ทิ้งน้ำหนักตัวโดยที่ไม่ขัดคืน เหมือนกับว่าจะทิ้งล่างไม่จมลงในแผ่นดินวางวางความคิดนึกต่างๆเอาไว้ก่อนให้รับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับท้องล่าง และทั้งตัววางพิ้นน้ำหนักตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะหรือปลายให้เต็นที่ ขอให้นึกถึงคนไข้ผู้ป่วยที่เราไปเยี่ยมหรือเห็นที่โรงพยาบาลเมื่อบ่ายนี้ให้กินตนาการว่าบัดนี้เราเองก็มีสภาพเช่นเดียวกับเขา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 ศาสตร์การทำงานทุกส่วนเสื่อมถอยมองอะไรไม่ค่อยเห็นได้ยินอะไรไม่ชัดเจนขยับตัวก็ลำบากขยี้นแต่ละครั้งก็รู้สึกปวดแปล ป ว, ว, วทั้งตัวปวที่แผลปวดไปถึงกระดูก จินตนาการว่าขณะนี้เรานอนอยู่ผู้เดียวกลางดึกไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนเว้น แ, แต่คนเดียวรอบตัวเงียบสนิทมีแต่เสียงของเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์รอบตัว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 จะมีแต่ความเย็นเยียบที่เคยขยับข่อนได้บ้างก็กำลังจะแข็งทื่อเป็นท่อนไม้หัวใจที่เต้นมาทั่วมาช่วมา่วมา ช, ว ช, มาวมาช่วชีวิตก็กำลังจะหดุดลง ปอดเริ่มอ่อนแอหายใจติดขัดลำบากขึ้นไม่เรื่อยลมหายใจมีแต่จะหนีออกจากร่างทุกอย่างกำลังจะออกจากร่างไม่อาจควบคุมได้ต่อไปทั้งดิน น้ำไฟลมทั้งของเหลวอุณหภูมิความอ่อนด่นกำลังวังชารวมทั้งความรู้สึกตัวจิตกําลังจะออกจากร่างในอีกไม่ช้ามไม่นานนี้ ในช่วงที่ทุกอย่างกำลังแตกดับก็มีความรู้สึกเจ็บแปลบปวดไปทั้งร่างปวดไปทิ้งกระดูก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 เห็นภาพลูกเมื่อครั้งยังเป็นทารกได้บอกเลี้ยงดูเขาจนโตพาไปส่งโรงเรียนได้เห็นความสาเร็จของเขาได้ยินดีกับความสุขของเขา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 เหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียคนรักพัดพรากจากผู้มีพระคุณทยอยให้เห็นเป็นลำดับในนิมนนั้น ในลำดั บ, บถัดมาภาพที่ปรากฏชัดเจนในมโนสำนึกก็คือเหตุการณ์ความสูญเสียเหตุการณ์ที่เราถูกกันแกล้งเ อ, อเปรียบใส่ร้ายรวมทั้งถูกคดโกง ภาพความทรงจำเก่าๆเมื่อครั้งเราได้ทำร้ายจิตใจคนใกล้ชิดสร้างความเจ็บช้าน้ำใจแก่คนรักเมินเฉยต่อความทุกข์ของผี้ผู้มีพับกคณ ของผู้คนที่เคยผูกพันกใกลชิดกับเราได้ปรากฏอีกครั้งหนึ่งทั้งผู้ที่จากไปและผู้ที่ยังอยู่ ว่าของความรู้สึกเราได้ตระหนักแล้วว่ากำลังจะจากลูกหลานคนรักไปชวนอยว่นั้นจากคนรักอย่างไม่มีวันกลับ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 อีไม่กี่นาทีข้างหน้าจะต้องละทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสรรพสินกำลังแตกดับทุกอย่างที่เคยรู้จักกำลังกลายเป็นอดีต เบื้องหน้าที่กำลังเคลื่อนเข้าหาเป็นอะไรที่เราไม่รู้จักมืดมนขณะที่ชีวิตกำลังดิ้นรีความมืดสนิท ก, ก็ครอบคุมมโนสำนึก ดิ่งน้ำลมไฟกำลังแตกดับช่วนนิรันด์บัดนี้ทะเลแห่งความตายกำลังกืนกินชีวิตไปช่วนนิรันด์